เจดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่หนึ่งติดสุขวันแรกของเดือนใหม่ฉันเริ่มสังเกตว่าชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้วยมุมมองของตนเองจากภายในและทั้งด้วยมุมมองของสายตาคนภายนอกด้วยมุมมองของฉันเองฉันรู้สึกสงบสุขยิ่ง เห็นชัดว่าเริ่มจากกายที่ไม่กระสับกระส่ายไม่มีแรงดันให้กวัดแก่งไม่มีพลังขับให้เหลือกหูเหลือกตาไปเสพภาพเสียงร้อนๆ้อนแบบชาวโลกที่ไม่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งเ้าภายนอกลดกําลังลงแต่ฐานสติภายในของฉันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหลายจังหวะฉันยังสนุกกับโลกภายนอกได้ทว่า ไม่สนุกหลงเพลินกระทั่งพลิกขมามกลับด้านเป็นทุกข์และเวลาปกติส่วนใหญ่ฉันจะเพลินเสพสุขภายในกับลมหายใจที่เป็นธรรมชาติติดตั้งไว้ให้แล้วนับแต่แรกเกิดไม่ต้องลงทุนสร้างอุปกรณ์เสริมเติมยิ่งกว่านั้นและด้วยมุมมองของคนอื่นมักมีคนทักว่าผิวพันชั้นผ่องใสขึ้นหน้าตามีความสุข ดูไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนบางคนก็แวะเวียนมาระบายทุกข์ให้ฟังและขอคำแนะนำเพื่อแก้ทุกข์โดยที่ฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มทำท่าหรือประกาศตัวว่าอยากเป็นที่ปรึกษาให้ใครเลยแม้แต่น้อยยอมรับว่าบางทีฉันก็ชักเคลิ้มบ้างเหมือนกันคือพอสงบกายสบายจิตแล้วก็เผลอนิ่งจมอยู่อย่างนั้นด้วยความพึงใจ เดินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขทำงานวุ่นๆก็ยังอุตส่าห์เป็นสุขเสร็จจากงานมักนั่งพักนิ่งๆแขนขาวางอยู่ตรงไหนก็วางอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานอย่างมีความสงบละมัยในตัวเองเหมือนแช่น้ําเย็นได้นานตามปรารถนาโดยไม่ต้องกลัวว่าน้าจะพร่องลงหรือมีใครมาเรียกให้ขึ้นจากบ่อ และทั้งที่เตือนตัวเองตั้งแต่เดือนแรกแต่ทำไปทำไปก็รู้สึกดียิ่งขึ้นทุกทีเหมือนนักบุญผู้ล้ำเลิศซึ้งแล้วว่าจิตใจเยือกเย็นยิ่งกว่าน้ําเป็นอย่างไรเมื่อมีความสงบประณีตโดยไม่ใส่แซงแกล้งสร้างภาพเราจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณสูงส่งขึ้นอยากทําแต่เรื่องดีๆมาถึงจุดนี้ ฉันจึงทบทวนว่าเป็นสุขแล้วพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรต่อก็จำได้ว่าท่านเคยตรัสไว้ในเคลัญยสูตรความโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับฉันคือเมื่อเธอมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้สุ ข, ขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่า สุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นต้องอาศัยที่ตั้งจึงเกิดขึ้นถ้าปราศจากที่ตั้งก็เกิดขึ้นไม่ได้สุขเวทนานั้นอาศัยอะไรเป็นที่เกิดกายนี้เองเป็นที่เกิดแต่กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงประกอบให้เกิดกายขึ้น ดังนี้สุขเวทนาอันต้องอาศัยกายจากเที่ยงได้อย่างไรเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เธอย่อมเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคือในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมสามารถละกามกิเลสอันแฝงตัวนอนเนื่องในกาย และในสุขขเวทนาเสียได้เป็นจริงยิ่งนักแล้วโดยเฉพาะท่าสวยสุขอันเกิดจากสติรู้ิยาบทนั่งถ้าหากนิ่งแช่เฉยเฉยด้วยความขาดสติก็ยอมติดใจในรสสุขอันเคยชินเยี่ยงนั้นมีความพึงใจและบอกตัวเองว่าพอแล้วเป็นเหตุให้ไม่อยากถอนออกมาจากสุขอันแช่นิ่งนั้น ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่คนเรามีความสุขแล้วก็ย่อมไม่เห็นความจำเป็นต้องไขว่คว้าอะไรอีกราวกับเดินทางมาถึงดวงดาวแล้วหากไม่ศึกษาให้ดีๆมีแผนที่อันบริบูรณ์ไว้ในมือซะก่อนก็อาจหลงนึกว่าหยุดปักหลักตรงนี้แหละอย่าไปไหนอีกเลยเป็นอันว่าฉันรู้ตัวว่า ต้องดึงตัวเองออกจากหล่มสุขในอิริยาบถคำถามคือเมื่อสุขอยู่นานๆแล้วจะดูโดยความเป็นของเกิดดับได้อย่างไรในเมื่อกว่าจะเห็นความดับไปของเวทนาก็กินเวลาอักโขเดี๋ยวนี้ฉันนั่งนิ่งๆได้เป็นสิบนาทีโดยไม่ต้องขยับขยื่นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องกำหนดเป็นพิเศษ มากไปกว่ารู้สึกถึงความแน่นิ่งในอิริยาบถคิดไปคิดมาก็ได้คำตอบเป็นการย้อนกลับไปสู่พื้นฐานคือลมหายใจฉันลืมไปว่าลมหายใจก็เป็นกายเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเวทนาอาศัยกายหากพิจารณารู้ว่ากายไม่เที่ยง ก็ย่อมรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงไปด้วยลมหายใจเข้านำความสดชื่นเมื่อรู้สึกถึงความสดชื่นนั้นย่อมปรุงให้กายสงบปราศจากความกวัดแกงฉันพิจารณาตามจริงขณะเกิดสติรู้ลมเข้าว่าความสดชื่นไม่ได้มีอยู่ก่อนและจะไม่อยู่ในชั้นตลอดไป เพียงลมอัดวูบเดียวก็ต้องคืนกลับออกสู่ความว่างเปล่าภายนอกกําหนดดูความสดชื่นโดยความเป็นภาวะไม่เที่ยงอยู่หลายระลอกลมจนในที่สุดเห็นว่าแม้แต่ระดับความสดชื่นในระลอกลมเดียวกันก็มีความไม่สม่ําเสมอกล่าวคือเมื่อเริ่มพองหน้าท้องลากลมเข้าจะสดชื่นเล็กน้อย เมื่อเข้าสุดปอดด้วยจังหวะจะโคนที่เรียบรื่นสม่ำเสมอก็จะสดชื่นแบบอิ่มเต็มเทาว่าเพียงช่วเวลาอันสั้นก็ต้องสลายลงแต่เพราะสดชื่นอยู่เรื่อยๆโดยทิ้งช่วงห่างเพียงเล็กน้อยจึงเกิดอุปาทานไปว่าเราสดชื่นคงเส้นคงวาเช่นนั้นตลอดเวลา เมื่อพิจารณาเห็นชัดด้วยสติขณะนั้นว่าความสดชื่นไม่เที่ยงมีความแปรรวนมีความเสื่อมไปเป็นขณะขณะจิตก็คลายจากสภาพแช่นิ่งมีความรู้สึกปล่อยวางในสุขทั้งที่ดูดีๆแล้วเป็นสุขยิ่งกว่าเดิมเสอีกฉันตัดสินใจตัวเองในบัดนั้นว่าองค์แห่งโพชงคือสติ ธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสธิบังเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ทั้งอย่างนั่งลืมตาอยู่กับที่กล่าวได้ว่ามีความนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ยังไม่สมบูรณ์แท้เพราะบางทีตายังขยับเหลือบด้วยความไหวตามสิ่งกระทบมีความวางเฉยในสมาธิอยู่บ้างแต่ใจหนึ่ง ก็รู้สึกว่ามีตัวตนใน่าำกลางแห่งสตินั้นฉันจึงไม่ปักใจว่าสององค์สุดท้ายของพ่อชงอันได้แก่สมาธิและอุเบกขาเกิดขึ้นเต็มที่อย่างปราศจากข้อกังขาแต่ยังน้อยที่สุดลักษณะทั้งปวงที่ปรากฏทางกายใจในบัดนี้ก็ส่องให้เห็นว่ามาถูกทางกาลังอยู่ในทาง และจะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งวันที่เหลือฉันเฝ้าดูความสดชื่นเห็นความสดชื่นไม่เที่ยงบางชั่วโมงหายใจเข้าได้ลึกบางเกิดความสดชื่นตื่นเต็มบางชั่วโมงก็หายใจเข้าได้ตื้นไม่นําพาความสดชื่นเข้ามาให้เห็นถนัด ร่างกายต้องการลมหายใจต่างระดับกันในแต่ละช่วงฉันเฝ้าสังเกตดูจนมั่นใจว่ารู้ทางออกจากอาการติดความสงบสุขล้ำลึกแน่แล้วจึงจบวันด้วยการสรุปว่าเห็นทางชัดว่าจะแก้ลักษณะติดสุขได้อย่างไร